ส่วนกองเกวียนอีกพวกหนึ่งโดนหลอกด้วยหลักฐานเท็จเหมือนกันแต่ถือหลักอปันนกตานี้ว่าถ้ามีรู้จริงประจักษ์ก็ไม่ยอมตามตักกะหรือการคาดเดาเมื่ออันที่แน่ๆมีอยู่แล้วคือน้ำที่บรรทุกมาในเกวียนนั่นแหละก็บรรทุกไปจนกว่าจะเจอแหล่งน้ำที่ว่านั้นจริงก็เติมได้พวกที่ใช้ปัญญาและอะไรที่ประจักษ์ได้ก็ให้ประจักษ์ หลักอปันนกาตานี้ก็พากองเกวียนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพสำหรับเรื่องนามธรรมที่ลึกลงไปกว่านั้นก็ดังเช่นในเรื่องอปันนกาสูตรซึ่งแสดงถึงการใช้หลักเลือกเอาที่ไม่พลาดไว้ก่อนหรือทำสิ่งที่ไม่พลาดเห็นชัดอยู่แน่ๆ แ, แม้แต่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมดังนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จชาร็กถึงหมู่บ้านพรามชื่อสาลาพวกพราม์้าพอดีชาวหมู่บ้านนี้ได้ทราบกิติศัพท์ของพระองค์จึงพากันมาเฝ้าแสดงอาการต่างๆในฐานะอคันตุ ก, กะที่ยังมีได้นับถือกันมีคำสนทนาดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าก้าพอดีทั้งหลายพวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจ ซึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผลคืออาการระวัติศรัทธาอยู่บ้างหรือไม่พรามข้าหาพดีตอบว่าไม่มีเลยท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนคืออปันณักาธรรมดังต่อไปนี้ด้วยว่าอปันนกกธรรมนี้ เมื่อถือปฏิบัติถูกท่วนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้เป็นฉไฉนสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลบำเพ็ญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มี มารดาไม่มีมิดาไม่มีและอื่นๆส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นค่าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลและอื่นๆท่านทั้งหลายเห็นเป็นไนสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะเป็นค่าศึกโดยตรงต่อกันม่ใช่หรือ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 มโนทุจริตซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้งสามอย่างข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นยอมไม่มองเห็นโทษความซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมและอ น, นิสงส์ในเนคขมมะอันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรมในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าปอดโลกไม่มีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทำลายขันไปก็ทำตนให้สวัสดีคือปลอดภัยได้แต่ถ้าปอโลกมีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทำลายขันก็จะเข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาตนรกเอาเถอะถึงว่าให้ปอดโลกไม่มีจริงๆให้คําของท่านสมณ า, าพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิดถึงกระนั้นบุคคลผู้นี้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 สมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นไม่มีส่วนสมณพราหม์อีกพวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นค่าศึกโดยตรงกับสมณพราหม์พวกนั้นกล่าวว่าความดับภพบหมดสิ้นมีอยู่และอื่นๆในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทามีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นไม่มีนี้เราก็ไม่ได้เห็นแม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทามีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นมีอยู่นี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เมื่อเรามีรู้ไม่เห็นอยู่จะกล่าวยึดเด็ดขาดลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จดังนี้ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เรา ก็ทําคำของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะามีทิฏว่าความดับภพบหมดสิ้นไม่มีเป็นความจริงการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญาใหม่ได้แม่นมั่นไม่พลาดก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคำของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทามีทิฏว่าความดับภพบหมดสิ้นมีอยู่เป็นความจริง การที่เราจะปรินิพานได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และก็ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีนี้อยู่ข้างของการมีความคิดติดไคร้อยู่ข้างของการผูกพันรัดตัวอยู่ข้างของการมัวเพลินอยู่ข้างของการสยบหมกมุ่นอยู่ข้างของการถือค้างถือคา ส่วนทิฏฐิของสมณะพราหมยายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นมีจริงนั้นอยู่ข้างจะไม่ติดใกล้อยู่ข้างจะไม่ผูกพันรัดตัวอยู่ข้างจะไม่มัวเพลินอยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่นอยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือคาเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพิทาวิราคะนิโรธ แห่งพบทั้งหลายเป็นแท้